เรื่องชักชวนกันไปลักสองเรื่องสมัยนั้นภิกษุหลายรูปชักชวนกันไปด้วยคิดจะลักทรัพย์ภิกษุรูปหนึ่งลักทรัพย์มาได้ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่เป็นปาราชิกภิกษุรูปใดลักทรัพย์ภิกษุรูปนั้นเป็นปาราชิกแล้วนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอต้องอบัตตปาราชิก วงเล็บเรื่องที่107สมัยนั้นภิกษุหลายรูปชักชวนกันไปแล้วได้ลักทรัพมาแล้วแบ่งกันเมื่อกำลังแบ่งทรัพกันภิกษุแต่ละรูปได้ส่วนแบ่งไม่ครบห้ามาศกภิกษุเหล่านั้นจึงบอกว่าพวกเราไม่เป็นปาราชิกแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอต้องอบัตติปาราชิก วงเล็บเรื่องที่108